จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันสิ้นเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสงท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่เป็นวันที่พวกเรามาปิดบัญชีทั้งในทางโลกและในทางธรรมบัญชีทางโลกก็คือรายได้กับรายจ่ายว่าปีนี้เราจ่ายมากกว่าเราได้หรือเราได้มากกว่าเราจ่ายถ้าเราได้มากกว่าเราจ่ายเราก็กำไร ถ้าเราจ่ายมากกว่าเราได้เราก็ขาดทุนทางใจหรือทางทำก็เหมือนกันเราก็มีรายได้รายจ่ายเช่นเดียวกันรายได้ก็คือบุญรายจ่ายก็คือบาปเราก็ต้องมาทบทวนดู ว, ว่าในปีที่ผ่านมานี้เราทำบุญมากกว่าทำบาป หรือเราทำบาปมากกว่าทำบุญ<ม>เพราะถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็ได้กำไรถ้าเราต้องตายไปในวันนี้เราก็จะได้ไปสู่สุคติ<ม>ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหได้เป็นพระอริยบุคคลตามลำดับของบุญที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าเราทำบา มากกว่าทาบุญตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่ามีมากมีน้อยมีหนักมีเบาอย่างไรนี่คือบัญชีของชีวิตเราบัญชีของจิตใจเราก็คือ บัญชีบุญและบัญชีบาปที่เราควรที่จะให้สำคัญสําคัญยิ่งกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของทางร่างกายเพราะว่าถึงแม้เราจะขาดทุนทางร่างกายคือรายรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแต่น้อยเราก็เพียงแต่ลําบากในเฉพาะช่วงที่มีชีวิตอยู่นี้ พอหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็หมดปัญหาไปเราจะกําไรมากหรือขาดทุนมากมันก็จบตรงที่ความตายนี้แต่ส่วนบัญชีบุญบัญชีบาส น, นี้มันไม่ได้จบที่ความตายมันมีต่อเพราะว่าใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองใจของเราอยากต้องมี การรับผลของบุญและบาปที่เราทำไว้ในชาตินี้และชาติก่อนๆมันก็จะสมทบมาเรื่อยๆรวมกันเรื่อยๆพอเวลาเราตายนี่บุญกับบาปก็จะมาแย่งจิตใจของเราถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้เราไปใช้กรรมนายบาศ ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้เราไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมจนกว่าบุญและบาปจะมีกำลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่นี่คือความเป็นมาของพวกเราในอดีตชาติเราทุกภพทุกชาตินี้เรา ได้สร้างบุญและสร้างบาปมาอย่างต่อเนื่องบางชาติบาปมากกว่าบุญเราก็ต้องไปเกิดในบายจนกว่าบุญกับบาปนั้นจะมีกําลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บางชาติเราก็มีบุญมากกว่าบาปเราก็ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในสุขติจนกว่าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากัน เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเหียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ยังทำบุญทำบาป ก, กันอยู่ที่ยังไม่สามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะถ้าใจยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็แสดงว่ายังมีเชื้อของภพชาติอยู่ในใจถ้ามีเชื้อของภพชาติก็เหมือนเชื้อไฟ ถ้าไฟยังมีเชื้อไฟอยู่ไฟก็จะไม่ดับไฟจะดับได้ก็ต่อเมื่อไม่มีเชื้อไฟหลงเหลืออยู่แล้วทันใดใจของเราจะไม่ไปเกิดใหม่ได้อีกก็ต้องเป็นใจที่สะอาดบอยสุทธ์ปราศจากเชื้อของพกชาเชื้อของพกชาคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มีความอยากต่างๆอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำบุญมากกว่าทำบาปกี่ร้อยเท่าก็ตามเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่เราไปรับผลบุญสวยผลบุญจนกระทั่งหมดแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่ร่างกายนี้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราว ของใจของพวกเราเราไม่ได้ตายประจับร่างกายเหมือนกับบ้านที่เราอยู่เวลาบ้านมันเก่ามันชำนุดทุดโทรมหรือพังไปเราก็ย้ายบ้านใหม่เราก็ไปหาบ้านใหม่อยู่แต่บ้านของเราที่เราหาอยู่นี้เป็น บ, นบ้านที่ไม่ถาวรเป็นบ้านที่ ต้องคอยโยกย้ายอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของเรานี้มันถึงเวลาก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอตายไปแล้วเราก็ต้องย้ายบ้านใหม่ไปหาบ้านใหม่ตามกำลังของบุญและบาปของเราถ้าบาปพาไปก็ต้องไปสร้างบ้านอยู่ในอบายไปได้ร่างของเดรัจฉานไปได้ร่างของเปรตของนรก แต่ถ้าเราสามารถกำจัดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะได้บ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเสียไม่มีวันชำรุดไม่มีวันพังบ้านนี้ก็คือพระนิพพานเป็นบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างกัน ในขณะที่มีชีวิตอยู่การสร้างพระนิพพานก็คือการชำระใจให้สะอาดนี่เองใจของเราสะอาดเมื่อไหร่เราก็จะได้มีพระนิพพานเป็นบ้านของเราพระนิบ้านนี้เป็นบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความเสื่อมไม่เหมือนกับร่างกายที่มีทั้งความสุขและความทุกข์และมีความเสื่อม เวลาร่างกายเสื่อมตายไปก็สร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราแต่ถ้าเราได้บ้านคือพะนิพานแล้วบ้านของพันิพานนี้จะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันพังและไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือ เป้าหมายของพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเราทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบรยสุดเพราะว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการได้พันิพานเป็นที่อยู่ของเราบ้านชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นเทพ ต้องมีวันเสื่อมต้องมีวันหมดไปเช่นถ้าเราทำบุญจนได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเราก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมได้ระยะหนึ่งพอบุญระดับของชั้นพรหมหมดไปเราก็เลื่อนลงมาสู่ระดับชั้นเทพพอระดับชั้นเทพหมดไปเราก็เลื่อนลงมาสู่ระดับของมนุษย์มาเกิดใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเรายังไม่เบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ยังไม่ต้องไปภานิพานก็ได้เราไม่ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทแต่ถ้าเราเบื่อกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะต้องพยายามชำระใจของเราให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ให้ได้ขั้นต้นก่อนที่เราจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องทำบุญก่อนเพราะการทำบุญก็เป็นการชำระใจให้สะอาดในระดับหนึ่งขั้นที่สองเราก็ต้องไม่ทำบาปเพราะการทำบาปนี้ทำให้ใจของเราไม่สะอาดทำให้ใจของเราสกโ ป, ปกสกปปกด้วยความทุกข์นี่เองไม่ได้สกปปกด้วยอะไร เวลาทําบาปแล้วเราจะมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เกิดจากการทําบาปของเราเองถ้าเราไม่ทําบาปความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดคือความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่เกิดเช่น mm hmm. ถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดประเวณีไม่ไปโกหกหลอกลวง เราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำเหล่านี้แต่ก่อนที่เราจะไม่ทำบาปได้เราต้องทำบุญก่อนใจของเราต้องเป็นใจบุญสุนทานก่อนถ้าเราชอบทำบุญแล้วต่อไปเราจะไม่ชอบทำบาปเพราะว่าการทำบุญก็คือการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง เมื่อเราชอบทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่ชอบทำความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเรายังไม่สามารถทำบุญได้เราจะไม่สามารถละบาปได้เพราะว่าผู้ที่ไม่ชอบทำบุญนี้ยังเป็นผู้ที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับตนเองอย่างเดียวไม่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น จะทำอะไรก็ไม่คํานึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นขอให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มาแต่ผู้ที่ทําบุญแล้วนั้นจะมีความคํานึงถึงความทุกข์ถึงความเดือดร้อนความเสียหายของผู้อื่นเวลาจะทําอะไรถ้ารู้ว่าทําแล้วทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทําให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ ก็จะไม่ทําเมื่อไม่ทําก็จะสามารถรักษาศีลได้สามารถละบาปได้ถ้าเราสามารถทําบุญและละบาปได้เราก็จะทําให้ใจของเรามีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นคือมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ลดน้อยลงไปเราก็จะสามารถทำความสะอาด ในระดับที่ละเอียดขึ้นไปได้ระดับที่ละเอียดนี้การทำบุญกับการละบาปไม่สามารถชำระได้เพราะว่ามันอยู่ฝังอยู่ในใจของเราเราต้องใช้การภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเครื่องมือชำระใจของเราให้สะอาดในลำดับต่อไป ขั้นต้นก็ทำบุญก่อนทำบุญอย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้เป็นการชำระใจในระดับหนึ่งชำระความโลภความโกรธความหลงไปในระดับหนึ่งแล้วขั้นที่สองเราก็จะละการทำบาปก็จะชำระความโลภความโกรธความหลงให้ลดน้อยลงไปในอีกระดับหนึ่งทีนี้ก็จะสืบส่วนที่ละเอียด ตอนนี้เราก็ต้องใช้การภาวนาเราต้องทําใจให้สงบเราถึงจะสามารถชําระกิเลสตัณหาที่ชนิดละเอียดได้ก่อนที่เราจะฆ่ากิเลสตัณหาเราก็ต้องจับมันมามัดไว้กับเสาก่อนหรือจับมาขังไว้ในกรงก่อนถ้ามันยังอยู่ข้างนอกกรง เราก็จะวิ่งตามฆ่ามันไม่ได้เพราะมันจะวิ่งเร็วกว่าเราเรื่องต้นเราต้องหาวิธีจับ ก, กิเลสตันหาเอามาเข้ามาขังไว้ในกรงให้ได้ก่อนกรงนี้ก็คือการทําใจให้สงบที่เรียกว่าสมถ ภ, ภาวนาหรือการนั่งสมาธินี่เองถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ใจของเราจะสงบ เวลาใจสงบกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง <t> ก็จะไม่สามารถทำงานได้ <t> ก็เหมือนกับถูกจับขังไว้ในกลงแต่เครื่องมือที่เราจะใช้ในการจับกิเลสเข้ามาขังไว้ในกลงนี้ก็เป็นเชือกเหมือนกับเวลาเราจับลิงถ้าเราต้องการจับลิงเข้ามาในกลงถ้าเราไม่มีเชือกเราวิ่งตามจับมันไม่ทัน เพราะลิงนี้มันวิ่งไวกว่าเราเร็วกว่าเราแต่ถ้าเรามีเชือกคล้องคอลิงเอาไว้แล้วดึงมันไว้มันก็จะไม่สามารถาวิ่งหนีจากเราไปได้ถ้าเรามีกำลังมากกว่าหรือเชือกของเรามีครับแข็งแรงไม่ขาดเราก็จะสามารถลากลิงนี้เข้ากรงได้ฉันใดถ้าเราอยากจะจับกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงให้เข้าไปอยู่ในกลมให้เข้าไปอยู่ในสมาธิเราก็ต้องมีเชือกเชือกที่เราใช้นี่เรียกว่าสติสติก็คือการควบคุมความคิดของเราการเพราะความคิดของเรานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเวลาจะใช้เราทําอะไรมันจะคิดก่อนเช่นพอคิดถึงขนม มันก็จะสั่งให้เราไปหาขนมมารับประทานคิดถึงทีวีเห็นคิดถึงตู้ทีวีมันก็จะสั่งให้เราไปเปิดทีวีมาดูแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงขนมไม่ให้คิดถึงทีวีไม่ให้คิดถึงสิ่งต่างๆได้มันก็ไม่สามารถจะสั่งให้เราไปเอาสิ่งต่างๆตามความโลภตามความอยากได้ เราจึงต้องมีสติไว้ควบคุมความคิดของเราเพราะถ้าเราควบคุมความคิดของเราได้เราก็จะสามารถดึงกิเลสตัณหาให้เข้าสู่ความสงบได้หยุดกิเลสตัณหาได้ชั่วคราววิธีที่จะเจริญสติก็คือให้นึกถึงคำใดคำหนึ่งให้ใจเรามีอารมณ์เดียวให้อยู่กับเรื่องเดียว เช่นอยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธให้ท่องคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนเราหลับเลยวันทั้งวันไม่ว่าเราทําอะไรก็ให้คิดแต่พุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะสั่งให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธ ใจเราก็จะว่างจากความโลภความโกรธเช่นเวลาใครเขาด่าเราถ้าเราท่องพุโทโธพุธโทโธไว้เราก็จะโดนคำด่าของเขาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่ท่องพุโทโธไว้เวลาใครดา่าปั๊บนี่มันจะคิดถึงคำด่าของเขาอยู่เรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งอยากที่จะไป ด่าเขาบ้างยิ่งอยากจะไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเราท่องพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องความโกรธมันก็จะหายไปมันโกรธขึ้นมาแป๊บเดียวพอเราท่องพุโทโธพุธโทโธไปเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราก็จะหายโกรธได้นี่คือการทาใจให้สงบเราต้องมีเชือกก็คือสตินี้ควบคุมความคิดของเรา ไม่ให้คิดด้วยเปลื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาการหาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายเวลาหายหาหาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจเวลาหาได้ก็ดีใจเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็เกิดความคิดอยากจะได้สิ่งใหม่ต่อ ก็ต้องไปหาใหม่อีกหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีความอิ่มไม่มีความพอไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ดังนั้นเราต้องพยายามทำใจของเราสงบให้สงบให้ได้ด้วยการคิดคำว่าพุทธโธอยู่เรื่อยเรืยแล้ลึกถึงคำว่าพุทธโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะว่างจากความโลภความโกรธความหลง พอเรามีเวลาว่างมานั่งสมาธินั่งหลับตาท่องพุโทโธพุโทโธต่อไปเดี๋ยวไม่นานใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ พ, พอเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่วิเศษที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่เราเคยสัมผัสมาจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจากการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถ้าเทียบกับความสุขที่เราจะได้จากการนั่งสมาธินี้เป็นเหมือนฟ้ากับดินเลยถ้าเราได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเราจะไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นเราจะเบื่อกับความสุขต่างๆที่เราเคยได้มาไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากการได้เงินได้ทองได้ได้ยศได้ตำแหน่ง ได้รับการสรรเสริญเยนยอรหรือจากการได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดสพพะชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้จะไม่มีความหมายไปเพราะใจได้ความสุขที่ดีกว่าเหมือนเราได้สิ่งของที่ดีกว่าเช่นได้รถยนต์คันใหม่ที่มีราคาที่แพงกว่าคันเก่าเราก็จะไม่อยากจะขับรถคันเก่าเราขับรถคันใหม่ดีกว่า คนเก่าเราก็ยกให้คนอื่นได้เลยหรือถ้าเราได้แฟนคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าเราก็ทิ้งแฟนคนเก่าได้เลยเพราะเราได้ของใหม่ที่ดีกว่านั่นเองจันใดถ้าผู้ใดสามารถนั่งสมาธิจนใจสงบได้แล้วผู้นั้นจะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ไม่อยากจะได้ความสุขชนิดอื่นต่อไปจะมีแต่อยากจะ ได้ความสงบให้มีอยู่เรื่อยๆแต่การนั่งสมาธินี้ใจจะสงบเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองพอออกจากสมาธิมาแล้วพอปล่อยให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ความอยากเพราะถ้าว่าเราแก้ด้วยการท่องพุโทโธนี้มันจะไม่หายขาดมันจะหายเพียงชั่วคราว ถ้าเราต้องการให้มันหายขาดเราต้องใช้ปัญญามาสอนใจใช้เหตุผลมาสอนว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เราก็เคยได้มามากมายแล้วได้มาเท่าไหร่มันก็ความสุขก็เพียงเท่านั้นแต่ความทุกข์กลับมีมากกว่าเพราะเวลาที่จะต้องหาสิ่งต่างๆนี้เราต้องไปทางานไปหาเงินหาทองแล้วก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีไปต่อสู้ ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆพอได้สิ่งที่เราอยากจะได้มามันก็ให้ความสุขเพียงเดียวเดียวเราดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วสิ่งที่เราได้มานั้นก็หมดความหมายไปพอเราเห็นสิ่งใหม่ที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความอยากเกิดความกังวลกวายใจขึ้นมาใหม่นี่คือเราต้องใช้ปัญญาสอนว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่สามารถให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กับเราได้และนอกจากไม่ได้ให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วยังแถมให้ความทุกข์กับเราเอีกเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นมันจะต้องหมดสภาพไปมันจะต้องเก่าต้องเสือ่อมต้องเสียไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือจะเป็นคนบุคคลต่างๆก็เป็นสภาพเดียวกัน เราได้ใครมาได้สามีได้ภรรยามาเราก็ต้องมาทุกข์กับเขาเพราะเราห่วงเขาไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ความจริงแล้วไม่มีใครอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันไปขณะที่อยู่กับเขาเราก็ต้องมาห่วงมาทุกข์กับเขาและเวลาเขาจากไปเราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีเขาแล้ว เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเขาสาเหตุที่เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีความสงบนั่นเองถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะสามารถต่อสู้กับความอยากที่อยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีลูกได้เพราะเราจะเห็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาว่าการมีสิ่งต่างๆนี้มันทุกข์มากกว่าสุขนั่นเอง มันทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปมันทุกข์เพราะว่าเราจะต้องคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษามันไม่คุ้มกับความสุขที่เราได้ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเราก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆตัดความโลภต่างๆได้พอเราไม่มีความโลภความอยากในใจใจของเราก็จะสงบจะมีความสุขยิ่งกว่า ที่เราได้สิ่งต่างๆมานี่คือการชำระใจต้องชำระด้วยสมาธิและชำระด้วยปัญญาพอเราได้สมาธิแล้วได้ปัญญาแล้วเราก็จะสามารถชำระความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้เราก็จะได้บ้านคือพระนิพพานที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันพังไป เราไม่ต้องไปเล่ร่อนไปหาบ้านชั่วขาวอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ถ้าเรายังไม่สามารถสร้างบ้านคือพระนิพพานให้สาเร็จได้เราก็ยังจะต้องไปย้ายโยงย้ายบ้านอยู่ไปเรื่อยๆพอบ้านหลังนี้พังไปร่างกายละร่างนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างใหม่ต่อไปตามบุญตามกรรมของเราที่เราทำเอาไว้ จนกว่าเราจะสามารถชำระสร้างบ้านชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สร้างพระนิพพานให้เป็นบ้านของเราได้เราจึงจะยุติจากการที่โยกย้ายไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาของพวกเราและการแก้ปัญหาของพวกเราเราต้องแก้ที่ตรงใจของเราเพราะใจของเราเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลาย ต้นเหตุของปัญหาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองเราต้องใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาก็คือทำบุญละบาปและก็ชำระใจให้สะอาดบอยสุดตอนนี้เป็นวันสิ้นปีเราก็ต้องมาตรวจตาบัญชีของเราดูว่าเราได้ทำบุญมากน้อยเพียงใดเราได้ละบาปมากน้อยเพียงไร เราได้ชำระใจของเราให้สะอาดมากน้อยเพียงไรได้ลดได้ตักกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้น้อยลงไปมากน้อยเพียงใรถ้ายังทําไม่ได้มากก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เราตั้งหลักใหม่ตั้งเป้าใหม่สมมติ ว, ว่าปีนี้เราทําได้เพียง 10% ปีหน้าเราตั้งสัก 20% หรือถ้าเราโลภมากก็ตั้งเอาร้อยเปเซน์เลยก็ได้ถ้าเราสามารถจำนาใจให้บริสุทธิ์ได้ภายในปีหน้าด้วยเต็มที่ร้อเปรเซเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายใหม่อีกต่อไปอยู่ที่เราเราจะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ก็ได้และเราทุกคนมีความสามารถที่จะตั้งเป้าไปถึง หนึ่งรเปอร์เซ็ได้เพราะมีผู้ที่เขาทำมาแล้วเขาทำกันได้มีผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัท ธ, ธาตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยไม่นานเขาก็สามารถสร้างบ้านคือพระนิพพานให้กับเขาได้พวกเราก็สามารถทำกันได้เช่นเดียวกัน อยู่ที่ว่าพวกเราจะตั้งเป้ากันมากน้อยเพียงไรถ้าตั้งเป้าน้อยมันก็จะได้น้อยล้วถ้าเกิดเราตายไปแล้วโอกาสที่เราจะมาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนเราอีกนี้จะมีไม่มากมีน้อยมากเพราะพระพุทธศาสนานี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งถ้ากลัดมาเกิดคราวหน้าไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีใครมาสอนมาบอกให้เราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดเราก็จะกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามเพราะในใจของเรายังมีความโลภมีความอยากมีความชอบทำบาปมีการมีความไม่ชอบทำบุญอยู่นั่นเองดังนั้นชาตินี้เรามีคนคอยสองขอให้เราฟื้นใจเราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ เราไม่ชอบทำบุญเราก็ต้องพยายามทำเราชอบทำบาปเราก็ต้องฝืนไม่ทำบาปเราไม่ชอบทำระใจของเราให้สะอาดเราก็ต้องฝืนทำระใจของเราให้สะอาดถ้าเราไม่ฝืนแล้วเราจะไม่มีวันที่จะทำงานที่พระเจ้ามอบให้กับเราได้สำเร็จถ้าเราทำไม้สำเร็จเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันสิ้นปีนี้ จึงขอฝากเรื่องการทบทวนบัญชีของบุญและบาปของท่านนี้ให้ได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกร่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาใจ